งานอะไรทุกอย่างก็ตามลุงพ่ออยากจะเตือนพวกเราท่านทั้งหลายการทํางานอย่าให้งานทําเราถ้า ง, งานมาทําเราไม่ดีเราต้องทํางานเราต้องอยู่เหนืองานเราต้องมองงานได้ออกงานประเภทนี้เราจะควรแบกควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องควรจะจัดการอย่างไรควรจะทําอย่างไรกับงานนี้ คือมองงานดูงานเราก็ทำให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เรามองดูแล้วจุดไหนที่มันจะเสื่อมเสียจุดไหนมันจะเสียหายจุดไหนที่มันจะไม่ดีเราพยายามทำจุดนั้นให้ดีที่สุดเนื่อเมื่อทำดีที่สุดในความรู้สึกของเราแล้วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด เ, เราต้องปรงตกปงอยู่ที่ใจวางอยู่ที่ใจ ไม่ใช่วางข้างนอกนะไม่ใช่โมโหโทโศกพอมันผิดใจของเรากทั้ทงชดทั้งต่อยทั้งตีทั้งฆ่าอะไรออกไปไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องวางที่ใจปรงอยู่ที่ใจเออเราก็ทำตีที่สุดแล้วเนี่ยแต่มันก็เกิดอย่างนี้ขึ้นมาได้มันเป็นความบกพร่องของเราหรือเออมันเป็นบูญวัดสนามบา ร, รมีของเราที่เราไม่สามารถที่จะทาจุดนี้ได้เอาเถอะ เ, อเราจะทํา เราจะพยายามทําให้ดีที่สุดประคับประคองด้วยดีที่สุดถ้าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเหมือนกับเรารักษาร่างกายของเราเนี่ยพวกเรารักษาร่างกายของเราตื่นนอนขึ้นมาเห็นไหมอาบน้ําแปรงฟันต้นแรกแต่รักษาร่างกายของเราทั้งนั้นตลอดไปบินทบาทก็เพื่อมาเลี้ยงร่างกายจากนั้นก็อาหารการบริโภคทั้งหลายพวกศรัทธาญาติโยม ตื่นมาตั้งเตต 2, ตีสองตีสามตีสี่มาทำมหารเตรียมมหารเพื่อจะมาใส่บาตรเพื่อจะเลี้ยงพระเพื่อจะเลี้ยงตั ว, ตวเองสรุปแล้วก็คือการดูแลบำรุงรักษาร่างกายแต่ถึงจะเราจะบำรุงรักษาร่างกายดีขนาดไหนร่างกายนื้นก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเราจะไปเสีย อ, อกเสียใจกับร่างกายแก่กับร่างกายเจ็บจนเกินไปมันก็ไม่ถูก ถึงคราวนะั้นเราก็ต้องปล่อยต้องวางต้องปรงตกในใจเราทำดีที่สุดแล้วในการดูแลรักษาร่างกายแต่ร่างกายนี่นก็มันก็ไหลไปตามสภาพของมันอันนี้คื อ, คอการปร่งตกหรือการปร่งปล่อยวางการทำความเข้าใจกับตนเองการทำความเข้าใจกับใจตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้อย่างใจของเรานะมันโลกนี้เป็นโลกอนิจจงโลกของไม่เที่ยง มันเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดต่อไปภายภาคหน้ามันก็เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ต้องสงสัยเพราะนั้นให้ดูตนเองนะพยายามปล่อยวางกับตนเองให้ทำความเข้าใจกับตนเองแต่ก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดในหน้าที่ของตนเองจะทำมาค้าขายแล้วก็พยายามทำมาค้าขายให้ดีที่สุด การที่มันจะรั่วไหลจุดไหนเราก็มองดูเราก็พยายามอุดปิดจุดนั้นให้ดีที่สุดทางไหนที่มันจะเจริญรุ่งเรืองเราก็มองดูเราก็พยายามเดินก้าววางแผนการก้าวเดินของเราให้ดีที่สุดอย่าให้ผิดพลาดในการก้าวเดินการทํามาค้าขายการเป็นอยู่ทุกอย่างเมื่อเราเป็นพ่อเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดแต่ทํำยังไงได้ ผู้ที่มาเกิดกับเราเขาเป็นผู้มีบุญวาสนามากน้อยอย่างไงแค่ไหนเราไม่สามารถที่จะเลือกกับเขาได้อาจจะเป็นบุญวาสนาของเราบุญวาสนาของบา ร, รมีของลูกที่มาเกิดกับเราเราใครจะไปรู้พบก่อนชาติก่อนเราอาจจะไปขายเหล้าตั้งร้านอาหารขึ้นมาขายสุราใช่ไหใครมากับแบ่งเหล้าให้เขากินพอเกิดมาพบในชาตินี้เราเกิดมา คนพวกขี้เหล้าทั้งหลายก็มาเกิดกับเราเกิดขึ้นมากรบโต๊ะโต๊ะเต๋เต๋จะทํายังไงพ้นมันมาเกิดกับเรามันรักกับเราเออเราก็ต้องเลี้ยงเขาไปตามบุญวาสนาบารมีของเราที่ได้เกี่ยวข้องกันมานะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉนั้นในสิ่งใดก็ตามในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่อย่าทําสิ่งที่มันไม่ดีทําแต่สิ่งดีเท่านั้นถ้าทําสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดีจะตามเราไปเรื่อยๆ ติดติดชาติแต่นี้พอเกิดมาพบนี้ชาตินี้ลูกน้องบริวารของเราลูกหลานบริวารของเราไม่ดีโง่เง่าเตา ต, าตุนเราจะไปตำหนิใครได้ตำหนิเออแสดงว่าข่าพรเจ้าทำกรรมดีไว้ในอดีตไว้ไม่ดีคงจะสงเสริมเรื่องยาเสพติดทั้งหลาย มึนเมาทั้งหลายให้เขาเสพคัญชายยาฝิ่นเราก็คงจะขายให้เขาด้วยแจกให้เขาด้วยซื้อให้เขาเพราะนั้นเขาจึงมาเกิดกับเราคงจะเป็นบุญวาสนาบา ร, รมีของเราได้ทำกับเขาไว้ในอดีตชาตินะเราก็ต้องปล่อยวางเราก็ต้องปรงที่ใจของเราจะทำยังไงได้เพราะมันเป็นมาแล้วเราก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทาได้ที่เกี่ยวข้อง แต่ถึงยังไงก็พอใจพอใจในการเป็นอยู่พอใจในลาภในยศในบริวารของตนเองพราะทำดีที่สุดพยายามทําให้ดีที่สุดพยายามสั่งสมคุณงามความดีให้ดีที่สุดคืออย่าให้ขาดตกบกพร่องแต่ว่าถึงยังไงก็ตามถึงจะพยายามขนาดไหนความขาดตกบกพร่องนั้นมันก็เป็นอนิจจังอีกเหมือนกันมันอาจจะผิดพลาดไปได้ าอาจจะมองไปอีกอย่างหนึ่งเราอาจจะมองว่าดีแต่คนอื่นอาจจะมองว่าอีกส่วนหนึ่งว่าไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ทึ้งยังไงก็ตามเราก็ต้องเอาศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเอากฎหมายบ้านเมืองเอาศีลธรรมจริยธรรมมาเป็นเครื่องวัดมาเป็นเครื่องพาดำเนินมาเป็นเครื่องพาเดินไปแ่ถ้าเราทาอย่างนั้นถ้าเรา ปฏิบัติอย่างนั้นทําตัวอย่างนั้นคิดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นหลวงพ่อว่าความผิดพลาดก็คงจะน้อยเพราะเราได้ไตรตรองไว้อยู่เสมอนะคนเราพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ท่านว่าอิธิบาตอิธิบาทเป็นเครื่องที่ใหญ่อิธิบาตคือคุณเครื่องให้สําเร็จความประสงค์สี่อย่างก็สิ่งที่ไม่เหลือวิสัยจริงๆนะ ต้องสำเร็จอิธิบาตคือคุณเครื่องให้สําเร็จความประสงค์สี่อย่างฉันทะฉันทะคือคือความพอใจพอใจที่จะทําสิ่งนี้วิริยะพยายามเพียรพยายามจะทําสิ่งนี้จิตตะเอาใจฝักใฝ่ให้เข้ามีความมุ่งมั่นที่จะทําสิ่งนี้จิตตะวิมังสาไตรตรองเหตุและผล ที่จะต้องทำสิ่งนี้ให้ได้เออมันเป็นเหตุยังไงมันขัดข้องอยังไงมันเป็นยังไงจึงเป็นอย่างนี้ท่านว่าถ้ามีอิทธิบาทสี่ประจำตนอยู่เสมอสิ่งนั้นจะไม่เหลือวิสัยจะสำเร็จได้ในสิ่งที่ว่าไม่เหลือวิสัยถ้าว่าเราขาดอิทธิบาทสี่แล้วความล้มเหลวก็จะเกิดขึ้นกับเราได้ง่าย เพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายจะทําสิ่งใดก็ตามอิทธิบาทสีนะี้ต้องอยู่ในใจถ้าเราเป็นครว่าต์ครว่าต์ญาติโยมหรือเป็นพระสงฆองค์เจ้าก็เหมือนกันทุกระดับนั่นนะพระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องมีอิทธิบาทสีอิทธิบาทสีของพระคืออะไรพยายามรักษาศีลสองร้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์พยายามรักษาศีลอภิสมาจารให้มากที่สุดอย่าให้ขาดตกบกพร่องพยายาม เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาพยายามทำจิตให้สงบ ใ, ใ, ใ, ให้มากที่สุดพยายามภาวนาพิจารณาความเกิดความเสื่อมให้ถึงใจให้รู้ที่ใจให้มากที่สุดอันนี้ก็คืออิธิบาทสคือความพยายามในใจในการเป็นอยู่ของตนอันนี้คือพลังนะสาหรับครวญญาติโยมการธ ร, รมมาหาเลี้ยงชีพตั้งแต่การเรียนหนังสือ ต่อมากับหน้าที่การงานเมื่อนักที่การงานก็รับผิดชอบครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศสาคนายาตดญาติตาาาตาตมิตรสหายิจะมาเกี่ยวข้องทําตัวอย่างไรทําใจอย่างไรเก็บหอมรอมริบอย่างไรเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดอุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันท่านไม่ได้สอนในขี้เกียจแต่บางคนเอาประเด็นใดประเด็นหนึ่งเอเข้ามา พูดกับพระพุทธศาสนาพพุทธศาสนาสอนให้คนขี้เกียจนะเพราะว่าสอนว่าอภิชตาให้พินผู้มักน้อยเพราะนั้นพุทธศาสนาสอนให้คนขี้เกียจอา้าวถ้าสอนให้คนมากมากเลยสนะโลกไปเรื่อยเอเป็นยังไงโลกจะมีความสุขไหมมีเมียตั้งหลายคนมีผัวตั้งหลายคนเป็นไงมีความสุขไหม เห็นอะไรโลภไปหมดเอาไปหมดสอนให้มกักมากมันดีไหมพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นผู้มักน้อยอภิชาตาคือเป็นผู้มักน้อยให้รู้จักประมาณตนอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนอแต่ถ้าว่าได้มาโดยเป็นธรรมค่าขายทํามาค่าขายโดยเป็นธรรมได้มาเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนล้านถูกต้องก็ไม่ว่าอะไระได้มาแล้วก็เอาจัดการเสียปาะสงค์ภาษีให้ถูกต้องทั้งหมดให้เป็นธรรมกับ โลกประเทศชาติบ้านเมืองท่านว่าไม่จัดว่าเป็นความโลภได้มาโดยเป็นธรรมแต่ถ้าว่าได้มาบาทหนึ่งสองบาทก็ดีไปคดไปโกงไปป่นไปจี้ไปเบียดไปบังเข้ามาอันนั้นท่านว่าจัดว่าเป็นความโลภให้พวกเราจำเอาไว้นะความโลภอันหนึงนะ่งคือได้มาโดยเป็นธรรมท่านไม่จัดว่าเป็นความโลภได้มาโดยเป็นธรรมได้มาด้วยความรู้ความฉลาด โดยบุญวัดศาสนาบา ร, รมีของเราแต่ทางว่าได้มาโดยไม่ชอบทำอันนั้นจัดว่าเป็นความโลภอุทานสัมปทาถึงพร้อมใยความหมั่นความขยันพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราหมั่นขยันนะอรคะสัมปทาให้ถึงพร้อมโดยการรักษาคือรักษาทรัพย์สมบัตริรักษาหน้าที่การงานรักษายศถาบรรดาศักดิ์รักษาตําแหน่งหน้าที่รักษากิจการของตนเองให้อยู่ในสภาพ อย่าให้มันดุดลุยอย่าให้ขาดตกบกพร่องเหนืออารักขะสัมปทาถึงพร้อมโดยการรักษากรยานามิตรการครบเพื่อนฝูงก็ต้องดูเพื่อนฝูงของเราเป็นยังไงสามีพันยาลูกเต่าเล้าล้านออกิจการล้านค้าเขาซื่อสัตว์กับเราไหมซื่อตรงกับเราไหมจริงใจกับเราไหมลึ คบเราเพื่อจะเอาเราเป็นบันไดขึ้นไปหรือว่า เ, าเพื่อจะกินเราหรือเขาคบเราเพื่ออะไรเราต้องมองดูให้ออกเหมือนกันกรรยานามิตถ้าว่าเขาเป็นคนดีเป็นที่ปรึกษาปารบับมีอะไรทุกยากลาบากก็เขามาช่วยเหลือเจือจานทุกด์ดยกันสุขด้วยกัน น, นั้นแปลว่าเป็นเพื่อนที่ดีแต่ก็หายากนะแต่ถึงยังไงก็ตามมันก็ต้องคบ ให้เลือกให้เลือกคนคบถ้าคนนี้คบขนนันอันนี้เราครบระดับไหนถ้าเรามีปัญญาเราก็เลือกครบได้คนนี้เขามีระดับนี้เออเขาเป็นผู้ประสานงานเออคบในฐานะประสานงานแต่ไม่นี้อด่ไม่ได้นะถ้าคบไปงานมันพาไปกินเหล้าเมา ย, ยาไปตีหัวคนนะเราก็คบในระดับที่ว่าเออให้มันไปช่วยการช่วยงานในระดับนี้ให้เราเราก็ช่วยเหลือเจือจานเข้าไป เพราะนั้นการครบค้าสมาคมถ้าว่าเราฉลาดเสียอย่างเราก็สามารถที่จะคบค้าสมาคมได้กว้างขวางได้หลา ย, ลายคนได้หลายกลุ่มได้หลายคณะแต่ถ้าว่าเราจะหาคนดีอย่างเดียวแล้วจะคบมันก็น้อยเพราะว่าคนถ้าจะว่าไปเลยคนดีคนไม่ดีมันคละกันอยู่ว่างั้นแตะมีมากต่อมากเราจะเอาดีขนาดไหนระดับไหนอย่างนี้เราต้องเลือกคบกันาณมิตรตา สัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปหลอกลวงอย่าไปป่นอย่าไปกี้อย่าไปคดไปโกงของมาเลี้ยงชีวิตเรามาเลี้ยงชีวิตเราเป็นยังไงถ้าเอาของไม่ดีมาเลี้ยงชีวิตของเราเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานของเราลูกหลานของเราก็พอยเป็นขโมยพลยโจรไปด้วยพอยเป็นนักเลงหัวไม้ไปด้วยพอเอาของไม่ดีมาเลี้ยงเลือดอมาเข้าในเส้นเลือดของเขา เ, เขาก็เป็นคนที่ไม่ดีเพราะนั้น พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนท่านบอกเอาไว้ท่านตรัสเอาไว้สอนพุทธบริษัทของพระ อ, องค์อุทานาะสัมปทาถึงพร้อมเลยความหมัน่นท่านไม่ให้ขี้เกียจนะ เ, เรามีอยู่มีกินเรากินอยู่ทุกวันเราขี้เกียจได้ยังไงสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์เป็นแหล่งของขุมทรัพย์เราต้องหมั่นขยันต้องหาคนหมั่นขยันย่อมหาทรัพย์ได้คนมีปัญญา จิงจะรักษาทรัพย์สมบัติอยู่ได้คนโง่รักษาทรัพย์สมบัติไม่อยู่เพราะนั้นพวกเราต้องหมั่นขยันถ้าทำหน้าที่การงานนะกาลยานามิตรตาสำ ม, มาชีวิตาอันนี้ล้วนแล้วจะเป็นการสอนครวาญญาติโยมทั้งนั้นทางวันพวกเราทำตัวอย่างนี้ได้นะความสำเร็จหรือความสบายอกสบายใจ ก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายจะต่างว่าพวกเราทำไม่ถูกนะแห่งความหายยนะความเดือดร้อนบุญวายก็จะเข้ามาสู่พวกเราพวกนั้นพวกเราทั้งหลายนะไอ้เรื่องสุราก็ดีเรื่องเบียร์ก็ดีเรื่องเหล้าก็ดีทั้งงดได้ดีที่สุดเพราะสิ่งเหล่านั้นทําให้เราโง่เท่านั้นทําให้เราขาดสติเท่านั้นถ้าเป็นผู้ใหญ่ยิ่งไม่ควรจะแตะเราหาวิธีออกได้ถึงกิป ไม่ควรจะดื่มเลยเอาผมกินไม่ได้มันแพ้เนี่ยมันแพ้แพ้อะไรมันแพ้ร่างกายแล้วกินแล้วก็เมาเอาี่ยไม่แพ้ได้ยังไงกินเหล้าไม่เมามีเหรอกินเบียร์แล้วไม่เมามีเหรอกินแล้วมันแพ้ไม่ได้ผมกินแล้วมันแพ้เนี่ยเรือ่องหมอเขาไม่ให้กินมีตังเยอะแยะไปวิธีทางออกถ้าตัวเองไม่อยากเสอย่างแต่ตัวเองอยากอย่างวาดหาวิธีกินจนได้กินเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงเสียหาย เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องพยายามนะรักษาเอาตัวรอดให้ได้เรื่องน้ําเมาพระพุทธเจ้าท่านห้ามนะเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งหลายทั้งปวงคือสุรากินเหล้าเข้าไปแล้วก็ทำความชั่วหลายๆอย่างตั้งแต่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมโกหก อ, อยู่ในเกณฑ์ของสุราทั้งหมดถ้ากินสุราเข้าไปแล้วความชั่วเหล่านั้นก็เกิดขึ้นได้ง่าย พ น, นันให้พวกเราเป็นสาธารณชนพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้านะให้สำรวมให้ระวังกับพร้อมกันก็พยายามสั่งสมบุญกุศลตั้งอกตั้งใจไหว้พระสวดมนต์ประกอบคุณงามความดีทำตนให้เป็นคนดีถ้าตนเองดีแล้วครอบครัวก็ร่มเย็นเป็นสุขประเทศชาติบ้านเมืองวงศาคณาาิก็ร่มเย็นเป็นสุขด้วยสรุปแล้วก็คือให้รู้จักหน้าที่รู้จักปล่อยวาง อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นนะถึงจะทําดีขนาดไหนก็เถอะบางครั้งมันก็ต้องได้จําเป็นจะต้องจําใจได้ปล่อยวางเหมือนเก่าเราดูแลสุขภาพร่างกายของเรานะ่นประครบประงมถึงขนาดไหนเห็นไหมนะี่แต่ฉันอาหารหามาทุงน้ำซับเท่าไหร่เลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปอีกสักวันหนึงก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจบแล้วก็ตายเราจะไปเสียใจกับความแก่ของเราเสียใจยังไงเราก็ต้องปล่อยวาง พยายามชะลอลงไปชะลอลงไปถึงข้าวแล้วก็ต้องปงตกป่งในใจเอออันนี้ธรมนะธรมดาพระพุทธเจ้าท่านสอนเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจนารณาอยู่เสมอเพราอนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขนาดร่างกายตัวเองก็ยัง มันเป็นอยู่อย่างนี้และสิ่งภายนอกล่ะจะให้มันได้อย่างใจเรามันจะเป็นไปได้เหรอมันก็อนิจจังเหมือนกันแต่แลาการทางนี้ทางนั้นเราไม่ใช่ว่าจะปล่อยวางทั้งหมดไปใช่นะเราต้องพยายามทําให้ดีที่สุดมองให้ดีที่สุดแต่มันดีที่สุดแล้วมันไม่ได้อย่างใจเรามันก็ต้องปล่อยวางที่ใจนะถ้าว่าไม่ปล่อยวางที่ใจนึกเครียดเนเครียด athletes, เครียดเครียดเครียดหน้านงี๊กหน่านงอง่อผลที่ถูกก็นั่นจับส่งโรงพยาบาลศรีธัญญามหาโพไปเรื่อยระบาด S <S <an> เพราะนั้นพวกเราให้ระมัดระวังนะหลวงพ่อเตือนพวกเราทันทั้งหลายพรหลวงพ่อก็บอกหลวงพ่อเหมือนกันนะหลวงพอนะ่ออินอย่าเครียดเด้ออันหนึ่งเหมือนกันนะั่นะแต่หลวงพ่อไม่เครียดเลยหลวงพอ่อพยายามทำให้ดีที่สุดจุดไหนควรจะทำาทําทำทำทำท ำ, ทำแล้วก็นอนหลับเฉยเครียดทำไมอีกสักวันหนึ่งพวก สูเจ้าตายทีหลังนะจะต้องเอาหลวงพ่อไปเผาแน่ๆตายแน่ๆ น, นะไม่ถึงร้อยปีหรอกถ้าสู่เจ้าตายหลวงพ่อก็ไปเผาสู่เจ้าถ้าหลวงพ่อตายก็สุ่เจ้าก็เผาหลวงพ่ออเหมือน ก, น ก, กนันโลกอันนี้เป็นโลกอนิจจังของไม่เที่ยงอยู่แล้วพยายามทําให้ดีที่สุดในขณะยังมีชีวิตอยู่อรับพรณเจเนนะนนะอนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวเมวัยโตทินนางเปตานางอุปกะ ป, ะปะติอิจิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิจาตุสัภีปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราสุยะถามณิโชติระโสยะถา ทิโยวิวานฌานตูสาพารควินัชาตุ ม, มาเตปาวาวันตารายโยสุขียูกุกพาวาพิวันทานาสิลีสนิด จางวท่าป้ า, า, าจายีนโอจัตาโรธมรมวันทันทียอายุอันนสุขัง พาลังสาพาพุทธานุพาเวนนส า, าพาธรรมานุพาเวนนสาพาสังฆานุพาเวนนาพุทธรัตนัธรมมรตารตนังสังฆ ร, รัตตานงติ นุภาเวนะจัตุราสิติสหัสธรรมคันธานุภาเวนะปิตการตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัมเพตทโรคาสัมเพเทภยญาสัมเ เตอันตรายาซาเพเ ต, เตอุปัฏฐาสาเปเตทุนนิมิตซาเพเตอวามังคลาวินาสันตุอายุวัท่าโกท่านาวันทาโกศริวัท่าโกยะสาวะ ธ่าโกภาลาวัตรทาโกวันณาวัตรทาโกสุขวาว า, าทท่าโกโหตุสาพทธาโตฆาโรคาพยาน โสกาสาันตุปาทถวาเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเต ส, ส, สัสายเซติทานัง โสทิภาคยยังสุขังพาลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฑียัสวาสตวาส า, ายายูจะชีวสิทธิภาวันภาวตุสาภาหมังคาลังรัาขันตุสาพาธิ วตาสาพะพุทธานุพาเวนะสะทาสดีพาวันพวตุสาะพามังคางรังรัางขันตุสาะพะเทวตาสาพธรรมะ โนภาเวนซาธาโสธิภาวันตุเตภาวตุสาภามางฆาลางราตุสาภาเทวธาสาภสังคานุภาเวนซาธาสโสธีภาวันตุเต